ในช่วงที่เรามาพูดคุยธรรมะกันนี้เพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้มีความเข้าใจใน บางคนรู้และเข้าใจด้วยนะสอบก็สอบได้ผ่านด้วยแล้วก็ได้คะแนนดีชวนในที่ต้องชักชวนท่านผู้ฟังว่าเออเราฟังธรรมะที่พระ เข้าใจแล้วรู้ทั่วถึงรู้ความแล้วแล้วก็ๆเลยท่านผู้ฟังนะจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปโห้ยเรา ก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรนั่นคือบางคนคิดว่าเออแบ่งปันธรรมะเอาให้คนนั้นเอาทําไมให้คนนี้ฉัน คนนี้ก็จะได้รับความรักความเมตตาจากสมมุติเรามอบอภัยทานให้เขานะเรามอบความรักความเมตตาให้ 2 ฝ่ายนะเป็นสิ่งที่ที่เอื้อทั้ง 2 ฝ่ายเพราะฉะนั้น นะรู้ทั่วถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังแค่วัน นะ, ยมวันนี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงก่อนสัมพันธ์ระหว่างมารดา หรือว่าทำไม่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าสมมุติเราทำที่นี้แต่ลูกลูกนะเราทำหน้าที่ของลูกกับเรากับพ่อแม่อย่างนี้แต่ว่าพ่อ ทำความดีใช่มั้ยเอ่อให้ตั้งอยู่ในความดีแห่ไม่เสีย ทีนี้ว่าถ้าเค้ายิ่งทําให้ดีอยู่นะถ้าเราไปด่า ธรรมกิจของท่านดํารงวงสกุลบริวัติต้นเป็นตาย่าแล้วแต่ว่ามีศีลมีสัตถามีจักขามีปัญญา 4 พ่อแม่มีจักขา คุณกระทําถ้าทําอย่างนั้นไม่เวิร์คคุณไปเนี่ยทางฝั่งๆใน 6 นี้เนี่ยอันดับแรกนี้ 106 นําไปเว็บไซต์แล้วก็ฝากข้อความไปที่นั่นคุณประชาก็จะจะนํามาตอบให้ในเวลานั้นทีนี้มาถึงทิศ 2 นักภูชาพูดถึงทิศเบื้อง สังเกตได้เวลาที่เรา 2 ก็คือด้วยการเข้าไป เอ่อมาที่ห้องเรียนเพื่อที่จะสอนนักเรียน 3 ก็คือด้วยการเชื่อฟังอย่าง 3 โดย อ่ะที่ 4 ด้วยการ 4 เนี่ยจะแตกต่างกับการเข้าไปยืน นะได้ด้วยการกันอ่าก็ต้องมีการทั้ง 2 และ 4 เนี่ยในข้อที่ 5 ก็คือด้วยการศึกษา นะทั้งเพื่อนร่วมเอ่อการการปฏิบัติก็ตามเพื่อนร่วมการ นอกเอาสิ่งที่เป็นพฤติวจนะไปสอนอันนี้เรียกว่า 1 อัน 2 ก็คือให้ศึกษาดีให้ มี projector มี Air แอร์มีที่นั่งที่นอนมี 3 คือการบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงสอนสอนแล้วก็ไม่ 4 ก็คือ นะทําให้เป็นที่รู้จักในมิสสหายมิสสหายของครูบาอาจารย์มิสสหายของเอ่อถ้ามิสสหายของเราถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยถ้านักเรียนคนนี้ดีนะ 5 ก็คือว่า นะคุณครูประจําชั้นก็ๆหลายๆที่ของคุณครูที่ 5 นะทั้งครูทั้ง แล้วจึงไม่ต้องมานั่ง 5 อย่างนะย้ําอีกครั้งให้ดีแนะนําดีนี่คือวิชาที่คุณสอนน่ะดี 2 ก็คือให้ นะ 3 คือบอกสิทธิ์ปะวิทยาสิ้นเชิงนะ 4 ทําให้เป็นที่รู้ๆคนอาจจะไม่ได้ทํานะในกรณีที่เป็นครูอาจารย์ทำ 5 ก็คือ นแต่มีสารเตึกสุดดิบได้ดารักก็ช่วยดูแลด้วยนี้ถึงจะ 2 ฝ่ายทําหน้าที่อย่าง สมมุติว่าคุณเป็นนักเรียนคุณทําหน้าที่ของคุณเสร็จ ไอ้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วชื่อว่าเราได้บุญละนะเราอยู่ในกระแสเพราะว่าถ้าถ้าเรา นับว่าสมมุติว่าเรารักษาทิศของเราอย่างดีในสมมุติว่า ละสมัยดูเป็นเรื่องมันรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมัน 5 ข้อเนี่ยมันไม่ได้จํายากอะไรเลยนะแต่ว่าสามารถที่จะปฏิบัติ จะจึงจะ Join 5 ฟัง 2 ดิดเบื้องขวานี้ในวัน